เมื่อวานเป็นวันวีสาขาบูชาปี2550ตรงกับวันที่ส1อวัน31พฤษภาคมตามให้จริงการสั่งสมบุญการสั่งสมบุญนำสุขมาให้เราไม่ควรประมาทการสั่งสมบุญเล็กเล็กน้อยน้อย การมีน้ำใจอย่างทิ้งหลวงพ่อให้ทำถ้าจะว่าไปแล้วก็ยุ่งยากหน่อยไม่ว่าอะไรล่ะถ้าไม่ทำมันก็ไม่ได้ทําไม่ทำบุญจะได้บุญยังไงถ้าไม่ทำบาปจะได้บาปอย่างไรถ้าไม่ทำบุญจะได้บุญอย่างไรถ้าไม่ทำก็ไม่ได้อย่างหลวงตาที่ท่านประกาศให้ช่วยชาตินะให้ช่วยการทำบุญนะ้ะอย่างเนี้ย แต่บางคนก็แอนตี้หลวงตาหลวงพ่อเขาเลยบอกเอา้าถ้าเราไม่อยากทําก็อย่าไปทําสิหลวงตาก็ไม่ใช่ไปขู่บังคับเราถ้าเราอยากได้บุญเราก็ทํากับท่านถ้าเราไม่อยากจะได้บุญเราก็ไม่ต้องทาหนีเดินหนีซะก็หมดเรื่องก็ไม่เห็นมีอะไรเราจะไม่ทำไมไปทุกข์ใจไปทุกข์ใจกับท่านคนที่เขาทํามีอยู่ คนที่เขาทำก็คือเขาอยากได้บุญคนอยากได้บุญเขาก็ทำถ้าไม่อยากได้บุญอย่างเราก็อย่าไปทำสิอันนี้ก็คือคำถามและคาตอบถามว่ามีใครถามพวกเราควรจะตอบอย่างนั้นถ้าไม่อยากได้บุญอย่าทำถ้าอยากได้บุญก็ทำการสั่งสมบุญนำสุขมาให้ การสั esto, ่งสมบุญก็คือทำทีละเล็กทีละน้อยสั่งสมไปทีละน้อยเมื่อเราสั่งสมเงินอย่างนั้นเก็บทีละบาทสองบาทต่อไปก็เป็นร้อยเป็นพันบินเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านได้เพราะเก็บสั่งสมไปอันนี้ก็เหมือนกันการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้พวกเราอย่างหลวงพ่อเหมือนกันบ้างสิ่งบางอย่างเรายอมเสียเปียบไป เราเสียเปียบคนเราหาความสุขให้แก่มนุษย์เราความหาความสุขให้แก่คนเราเสียเปียบคนการเสียเปียบคนพวกเราอ่านนันที่ลงตาว่างไงการเสียเปียบคนนั่นแหละคือเมตตาลงตาว่างนั้นการยอมเสียเปียบคนนั่นแหละคือเมตตา คนที่จะมีเมตตาต่อชนทั้งหลายต้องเป็นผู้ยอมเสียเปียบสรุปแล้วถ้าเอาเปรียบเขาตลอดไปแปลว่าเป็นผู้ขาดเมตตาถ้าว่าพวกเราที่ยอมเสียเปรียบคนอื่นนั่นแหละคือเมตตาแต่ก็อย่าให้มันเกินไปเท่านั้นนะอย่าให้ยอมเสียเปรียบเขาจนเกินไปการเสียเปรียกก็ต้องมีเล่ห์เหลี่ยมต้องมีชั้นเชิงต้องมีเทคนิค ต้องแฝงด้วยเมตตาแต่สิ่งใดก็ตามถ้าเขาเอารัดเอาเปรียบเราแบบไม่เป็นกิจจะลักษณะว่าเอารัดเอาเปรียบพ้องเราแบบเราก็รู้ว่าเขาเอารัดเอาเปรียบเราแบบไหนอันนั้นเราก็ต้องมีชั้นเชิงกับเขาแต่ถ้าว่าเขาเป็นคนธรรมดาเนี่ยเราไปทําให้แก่เขาการสงเคราะห์เขาอันนี้แปลว่าการเสียเปรียบคน มันเป็นทานะพร้อมบัรพร้อมกันก็มีฐานะคือการให้ทานด้วยในการเสียสละด้วยนั่นแหละคือเมตตาอย่างหลวงพ่อไประยองเมื่อกี้เนี่ยเหมือนกันแต่ตามไม่จริงการที่ไปนับทุเรียนมาเอามาแจกวัดต่างๆแล้วก็คู่คนที่มาเกี่ยวข้องหลวงพ่อก็ให้แจกไปแต่ตามไม่จริง การที่จะไปเอาทุเรียนขนาดนั้นน่ะจะเพราะค่าจะถูกปัจจัยค่าน้ํามันไปมันก็เป็นหมื่นกว่าบาทแหละแต่ตามไม่จริงซื้อแถวนี้ก็ได้แต่ก็ถ้าได้มาแล้วคือเอาถ้าไปซื้อทุเลียนมาแจกก็กระไรอยู่ทีนี้ถ้ามีคนให้มากเราไปเอาแต่เราเสียสละน้ํามันไปมากระจกวัดต่างๆทั้งสิบสาวัดในบริเวณนี้วัดละสิบกว่าลูกบงัง เกือบ20ลูกบ้างจุดแท้แต่พระมากผ้าน้อยตลอดถึงญาติโยมที่มาเกี่ยวข้องกับมาวัดก็เอาให้คนละลูกลูกไปนะอันนี้ก็คือการสั่งสมบุญเหมือนกันเป็นการเสียสละอย่างพวกเราที่ขึ้นไปเลี้ยงน้ำคนเหมือนกันที่ผูกก้อนจะว่ายุ่งยากไหมเออใช่ก็ยุ่งยากการทำบุญมันก็ต้องยุ่งยากจะให้อยู่สบายสบาย อยู่ในห้องแอร์มันก็ไม่ไม่ได้ละการทำบุญมันก็ต้องอย่งยากแต่ว่าการทำนั่นเป็นการสั่งสมบุญมีน้าใจมีการเสียสละรู้จักคู่คนรู้จักคู่จากคนที่เข้ามารู้จักความหิวกระหายของคนถ้าเขาหิวน้าไปยังไงแต่ามาแล้วเอาเอาน้าให้เขากินเขาดื่มจากนั้นเขาก็ได้ประกอบพิธีทางศาสนาในไหว้พระสวดมนต์อย่างพวกเรา ทั้งหลายได้เห็นพวกเราเห็นแล้วก็เออนนะความปื้มปีติอินดีกับที่เราได้เลี้ยงเขาอันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลติดจิตติดใจของพวกเราไปนานเท่านานถ้าทำเพื่อบุญกุศลนะถ้าธรรมศักศิก์แต่ว่าทำาทำําหรือการบังคับให้ทำาอันนั้นไม่ไดนะ้บุญกุศลจะไม่เกิดเพราะการทำสิ่งใดก็าตามถ้าเราต้องทำด้วยจิตใจที่เป็นกุศล คิดดีให้ดีสะก่อนค่อยทำแต่ทำก็ทําด้วยความตั้งอกตั้งใจทําให้มันดีไม่ใช่ฉักแต่ว่าทํานี่แหละเราเกิดมาในโลกนี้มันเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเกิดมามันจะไม่เหมือนกันเกิดมาเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านล้านก็ไม่เหมือนกันเพราะเหตุใดเพราะความคิดไม่เหมือนกันการกระทําไม่เหมือนกันการพูดไม่เหมือนกันเพราะนั้นออกมาทางรูปร่าง ก็ไม่เหมือนกันอย่างที่หลวงพ่อได้พูดมียายคนหนึ่งเขาระลึกชาติได้เขาระลึกชาติผลหลังได้ชาติที่แล้วเนี่ยเขาเป็นอะไรเขาว่าเขาเป็นบ้าเนี่ยเขาพูดโดยตามไม่จิงหายจะไปกล้าพูดของเขาเป็นบ้าเป็นบ้าไม่เต็มเต่เตมมงว่างั้นแตคนอื่นเขาใช้งานพอเขาใช้งานดีๆนะว่างั้นแต่ให้ล้างถ้วยล้างชามนะ ให้ล้างถ้วยล้างชามนะไอ้นางนั่นเนี่ยที่เป็นบ้านเนี่ยเขล้างให้เขาน่ะไปวัดเหมือนนหลับหงหลับตาล้างะเขาบอกให้ทําทำเหมือนกันให้ล้างถ้วยล้างชามจากนั้นให้ล้างห้องน้ํำล้างห้องน้ําออล้างถ้วยล้างชามล้างห้องน้ํำเลยปะเออ้นางผีบ้าเนี่ยล้างั้ยแต่ล้างพอมันก็ไม่ได้คิดอะไรฮแต่พอมาชาตินี้มาเกิด ตะแกะว่ามาเกิดขึ้นมาเนี่ย เ, เป็นเทพีของท้องถิ่นเหมือนกันนะ เ, เกิดมาชาตินี้เป็นเทพีของท้องถิ่นเกิดมาแล้วมาได้สามีรวยอีกบาเนี่ยแต่ถึงยังไงตะแกก็ว่าตะแกะไม่ติดยังคิดถึงบ้านอยู่ถ้าสามีตายเมื่อไหร่จะกลับถึงบ้านส่วนลูกก็ให้อยู่อยู่ที่นี่นมันนะคล้ายๆว่าเป็นคนแต่หน้าที่นี่ทำ ทำดีพึงงาทำดีที่สุดอันนี้แหละแต่แกก็บอกว่านี่นะผู้ที่จะสวยงามได้นี่วิธีที่จะทำให้สวยงามได้นี่ต้องเป็นผู้ทำความสะอาดทำความสะอาดวัดวาศาสนาทำความสะอาดสาธารณะเออคือไม่ทำให้เปื้อนเปิเปเอะเลอะเทอะในสถานที่คนพักพ้าอาศัย ถ้าว่าใครทําอย่างนั้นเป็นบอ่อเกิดแห่งความสวยงามเป็นบอ่อเกิดแห่งความสุขพราะมาชาตินี้แต่แกไปวัดไปว่างเนี่ยขนาดเป็นเมียอาเสียมันยังกระโดดเข้าไปล้างถ้วยล้างชามกับเขาได้วยยังล้างห้องน้ําให้เขาอีกแปลกเหมือนกันนะออันนี้พระท่านเล่าให้ฟังเอพระท่านเล่าให้ฟังแล้วลึกชาติได้แต่บาง เราอาจจะถามว่าเอ๊ะถ้าหากว่าการทำอย่างนั้นเราไม่ได้ทำรือเจตนาหรือทำไม่ได้ตั้งจิตอธิษฐานเนะี่ยจะได้ไหมได้ถ้าเราทำถูกถ้าเราทำผิดก็เหมือนกันเนเราก็ได้ในสิ่งที่ชั่วถ้าเราทำถูกมันก็ได้ในสิ่งที่ดีเหมือนกันจะมอกว่าเราทำนาอย่างนี้นปลูกข้าวอย่างนี้นมันก็ได้ข่าว ถ้าปลูกข้าวโพดมันก็ได้ปลูกข้าวโพดถ้าปลูกบัระเพาะเนี่ยมันขมก็ได้บัระเพาะเนมัยปลูกสิง่งไหนมันก็ได้สิ่งนั้นอันนี้ก็คือการทําความสะอาดอย่างนั้นนเป็นแนวทางความสวยงามเป็นแนวทางแห่งความสุขในการเกิดมาพบในชาติต่อไปอันนี้แหละอันนี้ก็คือบุญกุศลอันหนึ่งเหมือนกันการที่เลี้ยงขู่เลี้ยงคนก็เหมือนกันอย่างที่หลวงพ่อเออไปเลี้ยง แขกเรื่องโคเนอร์ถ้าเป็นไปได้แต่ทิ้งยังไงก็อย่าให้มันหนักหนาจนเกินไปมีอะไรก็จะทําหมดก็ไม่ใช่อีกเหมือนกันถ้ามันหนักหนาเกินไปมันก็เป็นบาปอากุศลได้เหมือนกันนะต่อไปก็เครียดเครียดเครียดหน้างหงิกหนา ง, งอเข้าไปให้คนอื่นทําเขาก็ไม่ทําช่วยเขาเหนื่อยตัวเองก็เลยเครียดทําคนเดียวไปมาทั้งที่จะเป็นบุญกุศลกลับเป็นบาปอากุศลเผาจิตเผาใจของตนเองอเพื่อเผื่อเป็นบ้า ก, ก่อนที่จะได้บุญอีก <c oughs> อย่างน้นก็แย่อยีกเหมือนกันนะ เพราะนั้นทาสิ่งใดก็ตามต้องรู้จักประมาณตนต้องรู้จักกำลังตนการรู้จักการวางตนรู้จักกำลังพักพวกของตนรู้จักกำลังทรัพย์ของตนรู้จักปริมาณของชุมชนไม่ใช่ว่าทำจนเหลือเฟือเหลือกินก็ไม่ใช่ทาอะไรามาหลงมาแลมคนมากก็ไม่กี่คนก็เลียปากเลียลิ้นไปไม่ได้ สรุปแล้วก็คือให้ใช้ปัญญานั่ยนะปัญญาตัวนี้นะใช้ในที่ทุกสถานใช้ปัญญาในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่ออีกต่างหากเพราะงั้นตลอดการอีกทุกเมื่ออีกต่างหากถ้าคนมีปัญญาแล้วทำอะไรคิดอะไรพูดอะไรคิดอะไรออกไปด้วยปัญญาพูดอะไรก็กก็น่าฟังทำอะไรก็น่าดูถ้ามีปัญญา ถ้าว่าขาดปัญญาแล้วนั่นแหละท่านนี่ถึงจะพูดถึงจะทำออกไปก็มันมันไม่น่าดูขาดตัวหนึ่งขาดตกบกพร่องไปแต่ตามไม่จริงอยากจะให้มันถูกใจทุกคนนั้นก็คงจะเป็นไปไม่ได้อีกอย่างเก่านั่นแหละจะให้ถูกใจทุกคนมันก็เป็นไปไม่ได้แต่ก็ให้มันถูกหลักพอสมมาสมควรว่างั้นเถอะถูกหลักด้วยหลักเหตุผล อยาให้มันไปสุดต่งข้างใดข้างหนึ่งเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึางว่ามัชชิมาปฏิปทานมัชชิมาก็คือสายกลางไม่กระดีไปทางหนึ่งไม่กระดีต้องมาทางต่าแล้วก็ไม่กระดีขึ้นไปทางสูงคือไปพอเหมาะผิดใจคนต่ำบ้างผิดใจคนสูงบ้างเพราะงั้น จะให้ถูกจใจทั้งคนสูงคนต่ำก็คงเป็นไปไม่ได้แเราก็เป็นถ้าเป็นไปได้อย่างนั้นนะระหว่างปัญญาปัญญาพระพุทธเจ้าบ่กมัชชมามัชิมาปฏิปทาคือทางสายกลางแต่พระตามไม่จริงก็อย่างว่านะนะสายกลางมันโดยมากมันดึงเข้ากิเลส ต, ตัวเองเป็นส่วนมากคนนั้นก็ดึงเขว่านี้แหละมัชชมาคนนับอันนี้แหละมัชชมา ผลที่สุดเขาเลยมีเลยมีพิพากษาขึ้นมาท่านเลยมีพิพากษาขึ้นมาเป็นผู้ตัดสินอีกที่นึงเพราะทุกคนมันดึงเข้าหาตัวเองจึงมีพิพากษาตัดสินอีกเพราะทุกคนก็ว่าตัวเองถูกนี่แหละในโลกมันเป็นอยู่อย่างนี้แหละโลกถ้าพิจรารณาดูแล้วพระพุทธเจ้าเป็นบรมครูของพวกเรา พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้บริสุทธิ์หลุดพน้นท่านมองโลกทั้งหลายแหลเนี่ยเหมือนกับเด็กเนเอยไม่รู้อะไรตอนไหนเมื่อกเรามองเด็กอย่างนั้นนะเดี๋ยวๆก็ยอกกันเตะกันตีกันด่ากันผิดกันทะเลาะกัน่ะร้องไห้เดี๋ยวก็หัวเราะอย่างงั้นแหละท่านาโอ้น่าเบือ่อหน่าจะหนีจากโลกไปซะให้มันจบๆไป น่าจะหนีจากวัตวนตัวนี้ให้ไกลที่สุดพงั้นให้มันจบไปถ้าเราอยู่ในวังบนตัวนี้วัตวนตัวนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละไม่เป็นอย่างอื่นเพราะนั้นพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกท่านมองโลกท่านมองอย่างนั้นนะเพราะนั้นพวกเราให้พยายามมองอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พามองจากนั้นก็พยายามสั่งสมบุญกุศลให้เต็มทีเ่เมื่อเต็มที่ลเมือ่อกลูกประสูนลุกดินประสิวน่ะ เออมันเต็มที่เลยจุดต้่มในกระโดดดองอะไรอย่างเงี้นเด๋อเข้าสู่ญานอวากาศเลยอไม่มาเวียนว่ายตายเกิดนในวัฏฏะสงสารนี้อีกเข้าสู่แดนอวากาศของจิตของธรรมไปเลยให้มันจบจ บ, จบไปการสั่งสมบุญทีละเละ็กทีละน้อย น, ะ น, นี่นเพื่อเป็นดินประสิวนั่นอ่เป็นดินประสิวเพื่อดันความบริสุทธิ์หลุดพ้นของเราให้หลุดลอยออกไปจาก การดึงดูดของโลกการดึงดูดของกิเลสราคะโทสะโมหะทั้งว่ากิเลสละราคะโทสะโมหะยังดึงดูดอยูนะ่เราไปไหนไม่ได้ละ่ะกระตกมมกวนเวียนมาอย่างที่ว่าเ น, นี่ยนะเดี๋ยวหงเราะเดี๋ยวลองไหายเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวโมโห อ, อยู่ในโลกนี่แหละอย่างที่พวกเราเห็นนะถ้าจะว่าไปแล้วโลกก้นนี้มันจะว่ายังไงถ้าจะว่าบ้ามันก็ มันจะว่าอย่างนั้น่ะถ้าว่าพระละหันท่านมองนะอท่านพระละหันผู้บริสุทธิ์จุดพ้นท่านมองท่านก็คงจะว่าอย่างนั้นนะแต่พวกเราเนี่ยถือว่าเป็นธรรมดาธรรมดาโลกมันเป็นอยู่อย่างนี้นะเราคือพออยู่ยุถามว่าเป็นยังไงพออยู่ยุ่มถ้าเป็นถ้าเป็นสัตว์ก็พออยู่ยุ่อแต่พระละหันท่านว่านน้นอยู่ท่นอุดมสมบูรณ์นะเอมีข้าวมีน้ํามี ญาดีนะท่านไปเห็นวัวผอมเลยถ้าไปเห็นวัวผอมเห็นแต่กร้างกระดูกอท่านก็เห็นเอาเชือกมัดคอวัวเพื่อจะให้มันไปกินน้ําสะอาดสะอาดหญ้าเขียวสดงดงามอยู่ทางนูน้นอยู่ในท้องนานุาน่นแต่วัวตัวนี้มันไม่อยากจะไปเพรางั้นเออมันก็เอาขายัานเอาไว้มีขาสีขามันยันไม่หมดวันๆถึงจะ อย่าแห้งกับข้าก็พออยู่อยู่เหมือนกันลักษณะอย่างนั้นอันนี้ก็เหมือนกันนะพระพุทธเจ้าพระหันสาวกให้ภาวนาอย่างนี้นะให้ปฏิบัติอย่างนี้นะจิตใจจะหลุดพ้นจากกิเลสราคะโทสะโมห oh ะอย่างนี้นะถ้าหากว่ามีกิเลสราคะโทสะโมห oh ะจะเป็นทุกข์อย่างนี้นะจะปั่นป่วนอย่างนี้นะอย่างนี้ยอพวกเราก็กิเลสราคะโทสะโมหะกันมันก็พออยู่ๆๆอยู่เพราะมันเคยอยู่เหมือนกันทะ กิเลสไม่อยากจะให้ไปอีกต่างหากดึงเอาไว้เพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะสิ่งเหล่านี้ต้องใช้ปัญญาใช้ปัญญาสัมมาทิฏฐิมั้งอะไรใช้ปัญญาสัมมาทิฏฐิคือใช้ปัญญาที่พระพุทธเจ้าพาใช้ใช้ปัญญาที่พระพุทธเจ้าพาไข่ควรใช้ปัญญาที่พระพุทธเจ้าพาไตรตรองเหตุและผลเราจะรู้เห็นเรื่องราวต่างๆที่ละน้อยละน้อยละน้อย ผลที่สุดเราก็อย่างที่ว่านนะหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นได้แต่ถ้าเราไม่คิดก็อย่างว่านนะเรามาแกกินแล้วก็นอนเหมือนหมูอยู่ในเล้าอย่างนั้นนะอยู่ในรกในเล้าอย่างนั้น น, น, นู่นแหะท่านนี่พอแก่เต็มที่แล้วเขาจึงค่อยเอาไปเฉือนท่านเอาไปทุบหัวหมูอย่างนั้นหมูก็โท่โทษโทษทษทุกขนาดนี้เลยนะก็ร้องให้ร้องแล้วก็ตายไปเกิดมาอีกนั่นแนหะ โลกนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านมองเห็นตลอดต้นตลอดตลอดปลายว่างั้นแหละทั้งทนทั้งปลายทั้งทนทั้งปลายมันวกบุนเวียนอยู่อย่างนี้วัฏฏบุท่านบอกว่าน่าเบื่อนะไม่น่าจะอยู่นะไม่น่าจะอยู่อยู่ในโลกอันนี้นะหาความสุขไม่ได้นะสุขที่แท้จริงนะั้หาไม่เจอนะเจอได้สุขที่จอมปลอมลนะั่นแ่ะ ความพอใจชั่วขณะหนึ่งอีกสักอีกไม่นานนความไม่พอใจก็มาแทนที่อีกแล้วนะเพราะนั้นความสุขในโลกเป็นความสุขที่จอมปลอมวันนี้หลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับการมีน้าใจการมีเมตตาคนที่เสียเปียบพนนั่นแหละวิถีทางเดินของคนมีมีเมตตาคนที่ยอมเสียเปียบพลนั่นแหละคือน้าใจ ถ้าคนไม่ยอมเสียเปียบใครเออนั่นแหละคนแรงน้ําใจมากกว่านั้นก็คือขาดเมตตามันเป็นลักษณะอย่างนั้นถึงยังไงก็ให้พวกเราให้ใช้ปัญญาทุกขั้นตอนนั้นอนะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดอย่าให้มันเกินไปข้างใดข้างหนึ่งให้มันพอเหมาะถ้าพอเหมาะแล้วนะ่ะความเป็นธรรมความสบายใจก็จะเกิดขึ้นกับพวกเราเออวันนี้หลวงพ่อฉันจังหันเสร็จแล้วก็คงจะได้ลงไปกรุงเทพ วันนี้จะได้ไปแวะค้นแก่นก่อนไปแวะค้นแก่นก็คือไปมอบเครื่องมือให้แก่โรงพยาบาลศีนครินเครื่องฟอกไตนะเครื่องฟอกไตเมื่อวันที่เมื่อวันที่ย7สเจ็ดพฤษภาที่ผ่านมาเนะี่ยหลวงพ่อก็ไปกับเครื่องมือขึ้นมาแล้วเครื่องฟอกไตนะอยู่ที่โรงพยาบาลศีนครินแล้วที่ญาติโยมท่านมาถวายในนามหลวงพ่อหลวงพ่อเป็นผู้ขอมาท่านก็ถวายมา ก็เดีหลวงพ่อก็คงจะไปรับเครื่องมือเพื่อโรงพยาบาลศรีนครินแต่ไม่ใช่ตึกสงนะใช้ทั่วๆไปเป็นเครื่องมือท็อปแบบนั้นเครื่องมือล้างไตรุ่นพิเศษแบบนั้นราคาประมาณเจ็0 0 0นมั้งเนีย่ยหลวงพ่อก็คงจะไปแวะรับมอบเครื่องมือแล้วก็ส่งให้โรงพยาบาลประมาณบ่ายโมงจากนั้นก็คงลงไปกรุงเทพ แต่กรุงเทพกับข่าวนี้ก็มีความหมายอยีกเหมือนกันนั่นะคือมูลนิธิเขาเขาจะถวายปัจจัยเพื่อสร้างหอสงฆ์อาพาธนี่หนละหลวงพ่อก็เห็นว่าไปในนามของสงฆ์ก็คงจะไปพักจักคืนแล้วก็คงจะขึ้นมาละนี่แหละภาระทุระอ่ะก็มีอยู่อย่างนี้นะ่ะโลกถ้าเราอยู่ในโลกต้องเป็นอย่างนี้ถ้าไปอยู่ในป่าหิมพานต์ใช้ตามลพังมันก็จบ ถางว่าเราอยู่ในโลกมันก็ต้องเขาช่วยเราเราช่วยเขาช่วยกันไปช่วยกันมาอย่างนี้แนะ่ละสงเคราะห์กันอย่างประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทประโยชน์ตนก็ย่าให้ขาดตกปกพ่องประโยชน์ท่านก็ยจาให้ขาดตกบกพ่อ ง, กกองและพร้อมกันกนัอย่าตั้งอยู่ในความประมาทประมาทคือเออถึงจะขาจะทํำยังไงก็ตามนะถึง good, im, doing, ข่าจะทํำ <forgetting>, ยังไงก็ก็ตามข่าจะสงเคราะห์ยังไงก็ตาม ข้าจะทําดียังไงก็ตามความตายจะต้องมาถึงข้านะข้าจะตั้งด้วยความประมาทนะให้สั่งสมบุญกุศลนะให้พิจารณาไว้อยู่เสมอนะจะทําพิธีพิคกิจพิกใจยังไงอจึงจะเอาชนะกิเลสกิเลสจริงจะหลุดออกไปจากใจข้าพเจ้าข้าพเจ้าจริงจะพ้นทุกข์ในวัฏสงสารไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกอันนี้ต้องคิดไปอยู่เสมอว่ากันเถอะเออตัวนี้ต้องคิดไปอยู่เสมอ ถึงจะทับยังไงก็ตามไม่ควรจะประมาทควรคิดไว้อยู่เสมอเลยจุดเนี้จุดที่จะพิกจิตพิกใจที่จะออกจากกิเลสพ้นทุกไปได้เลนะี่ยจุดนี้สําคัญนะแต่ประโยชน์ตนก็จะให้ขาดตกประโยชน์คนอื่นก็จะให้ขาดตกแต่พร้อมกันเฮ้ยอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเนะี่ยคำนี้เป็นคําน่าคิดสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายนะเอาตอนนี้ไปรับพรนะัตถนี้นะอนุโมทนาให้พร